สวัดีแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องแคนาดาเยอะๆใครที่ยังไม่เคยมาแคนาดาก็จะได้รู้ว่าแคนาดานี่มันเป็นยังไงเราลองคิดดูกันแล้วกันว่าแคนาดาใหญ่เล็กแค่ไหนเครื่องบินเนี่ยบินห้าชั่วโมงเนี่ยังไม่พ้นจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งอย่างเที่ อยู่ที่แอมแลนตินเนี่ยจะบินไปคุยเบกเนี่ยมันต้องใช้เวลาห้าชั่วโมงมันไกลมากก็แสดงว่าประเทศมันใหญ่แต่มันก็แปลกอยู่ว่าประเทศใหญ่เขาก็มีพ ล, ลเมืองกันมากอย่างประเทศอินเดียก็มีเป็นพันพันล้านอย่างประเทศจีนก็มีเป็นพันพล้านแต่ว่าประเทศแคนาดามีแค่ยี่สิบล้าน เพราะอะไรเพราะว่ามันหนาวส่วนที่เป็นน้ำแข็งน่ะก็คงเกือบครึ่งประเทศมันเป็นน้ำแข็งอยู่ไม่ได้มันก็มีพวกเอสกิโมเนี่ยอยู่กันประปรายเรามาพูดถึงว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจท่านทั้งหลายการเตือนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตัวของตนเองก็ต้องรู้จักเตือนตนเองแล้วก็เราก็จะต้องได้รับคำเตือนจากคนอื่นเพราะว่านักปราชญท่านแสดงว่าสีเท้ายัางรู้พลาดนักปราชญาดยังรู้พลังคนเราก็จะต้องมีบาระที่มันคิดไม่ออกหรือว่าละที่ทำงานผิดพลาด เมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วคนอื่นตักเตือนก็ควรจะเชื่อเขาแต่ถ้าบางทีคนตักเตือนนั้นมีอคติมันก็เชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำว่าแสงสว่างที่สว่างนั้น สว่างได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสว่างได้ทั้งในที่มืดและที่แจ้งสว่างทั้งในที่ับและที่แจ้งภูเขาก็บังปัญญาไม่ได้มหาสมุทรก็บังปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญานีจะมีหนทางเกิดได้กี่ทางด้วยกัน ปัญญากวาจะต้องมีพ้นทางเกิดได้อยู่สี่ทางที่ท่านเรียกว่าสุจปุลิสุแปลว่าฟังจแปลว่าคิดปุแปลว่าถามลิแปลว่าเขียนทั้งสี่อย่างนี้เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นทุกประเทศจึงได้มีการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจ ตั้งงบประมาณให้การศึกษาก็ทุกประเทศก็มากทั้งนี้เพื่อให้คนในชาติได้เกิดมีสติปัญญาไม่ต้องโง่เง่ า, ง า, งาหรือไม่ต้องงมงายคนที่ไม่ได้รับการศึกษานะั่นน่ะมันเหมือนกันกันกบเต่าพันเปรหรือว่าเนี่ไม่รู้อินโออินเดอะไรเข้าไปถึงไหนแล้วก็ยังงวงเงียอยู่ อย่างเขามีรถก็มีเรือบินก็มีก็ไม่กล้าขี่ไม่กล้าขึ้นแล้วก็ทุกเสียงทุกอย่างมันก็จะต้องเป็นไปตามสมัยเพราะฉะนั้นปัญญานี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อมีปัญญาในทางโลกทางโลกก็เรียกว่าโลกิยะปัญญา โลกิยปัญญานี่สามารถพัฒนาไปตั้งแต่สมัยหินสมัยไม่นุ่งผ้าจนกระทั่งมาถึงยุคศิวิไลนับหลายพันปีมานี้ได้พัฒนากันมาเข า, เขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์ได้ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นโดยโลกิยะปัญญาแล้ว มนุษย์ก็ควรที่จะต้องมาพัฒนาทางโลกุตระปัญญาเพราะว่าการพัฒนาทางโลกุตระปัญญานี่หมายถึงพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีลก็ดีเราก็จะต้องให้รู้จักว่าเราควรจะรักษาได้อย่างไรสมาธิก็ดีแล้วควรที่จะทําอย่างไรถึงจะถูกต้องปัญญาก็ดี ที่เป็นโลกุตระปัญญานี่มันไปทางไหนทิศทางของโลกุตระปัญญานี่มันไปทางไหนเมื่อโลกุตระปัญญานี่จะเป็นที่พึ่งคือหมายความว่าสามารถที่จะทำให้เราเกิดความสุขภายในคนเราเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ร่ําไรรําพันพลาดพลาดจากของละของชอบใจก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ความปหมาะสมความปรารถนาก็เป็นทุกข์นี่คือโรคทางใจเพราะฉะนั้นโลกุตระปัญญาจึงสามารถรักษาโรคทางใจได้ก็สมควรที่จะศึกษาการศึกษาโลกุตระปัญญานั่นก็คือการศึกษาสินสมาธิปัญญานี้ให้กว้างขวางสวัสดีสาธุ